ความธรรมบาลได้พูดเรื่องความขาดแคลนธรรมะกับชีวิตของคนเราเนี่แหละแต่ว่าอย่างอื่นมันพุมมมมมนพ่มเฟือยความโรคความโกรธความหลงมันพุ่มเฟือยความทุกข์ความโศกความอิจฉาพยาบาทความเห็นแก่ตัว กิเลสตัญหาพุ่มพลยมากล้นโลกเป็นปัญหาหนังข่าวหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆมากมายม่แต่ความไม่ดีเพราะนั้นจึงขาดแคลนธรรมะก็ก่ อ, อให้เกิดปัญหาต่างๆต่ทุกคนอดเพิ่มทำให้เจ็ชีวิตของเรา วันหนึ่งวันหนึ่งเราตรวจสอบดูว่าเราให้อะไรเถี่อชีวิตเร า, เาให้แต่ความหลงมันก็ไม่เป็นธรรมนูม่นตัวเองไม่เป็นธรรมสังคมก็ไม่เป็นธรรมนะลองตรวจสอบดูความรู้ศึกตัวกับความหลงตัวอัะไรมันมากกว่ากันเราพยายามจัดการกับชีวิตเราให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการเจริญสตินี่ <c oughs> เราก็ทำได้ด้วยฝีมือของเรา <c oughs> เสรนาสร้างเอาสมองเอาอไรไอยทั้งหมดของชีวิตรเราเนี่ยที่มันเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมาเป็นรู ป, ปรกรณ์วัสดุอุปรกรณ์ผิดความรู้สึกตัวเพ่เพิ่มความรู้สึกให้เจตัวเอง เพิม่พมทำทำที่เป็นกุศลความรู้สึกตัวเนี่ยเพิ่มลงไปถังกืนนอาไปก่อนสังกินเ้าไปกอไ่อนแม่จะ ท, ทำมันดนื่มเราไมา่ได้โดยตรงก็เอาลอยอ้อมเราก็ต้องเพิ่มลงไปเพิ่มทำลงไป การทำงานทําการการเป็นทบาดการกบกันฉันกันทําครัวการทํางานกวาตากอาบน้ําล้างหน้าแปงรงฟันกินข้าวลองหัดจัดการลองหัดดูแลเพิ่มเพิ่มความรู้สึกเข้าไปใส่ความรู้สึกเข้าไปโดยการกระทําโดยอริยบทอจองอาศัย ก, การฝึกหัดถ้า่มาฝึกหัดมันทําไม่เป็น เบางต้นเราก็เนี่ยฝึกหัดหนั่งยกมือเคลื่อนไหวไปมาหัดเดินจงกรมหัดสร้างสติโดยเจตนาไปในกายเนี่ยแล้วก็ทำถ้าทำเป็นเรื่องก็เพิ่มไปทุกทุกฤิบดได้จนมันเป็นเน็้ใสจนเป็นปัจจัย มันทั้งวันมีแต่ความรู是是้สึกต so ัวมีแต่ความรู้สึกตัวอะไรก็อะไรก็ตามมีแต่ความรู้สึกตัวหายใจก็ไม่ใช่หายใจเป็นความรู้สึกตัวเดินไหวเดินยืนเดินนั่งนอนคือความรู้สึกตัวตาเต็มตัวโราทณสว่าไม่ตาเต็มตัวก็คือความรู้สึกตัวในตาในหูในจมูกในเล่นในกายในจิตใจ ในโลปในรสในกลิ่นในเสียงการสัมผัสอารมณ์เกิดขึ้นรู้สึกตัวเอาเรียบวะเนี่ยถ้ามีความรู้สึกตัวเน่ยหน้ารอบิีตารอบตาเต็มตัวหลกไม่ตอบเพิ่มทำแต่ถ้าไม่เพิ่มมันจะมีความหลงความหลงมันก็ได้โอกาสสิ่งแวดล้อมมันชวนให้หลง ถ้าไม่เราไม่เพิม่มความรู้สึกตัวความหลงจะเข้าแทนก่อนอนั้นเก้าอี้ใบเดียวว่างจะความรู้อะไรความหลงเข้ามาทันทีเราจึงเพียรเราจึงมีเพียรการใส่ใจการตั้งใจการ การทำต้องบุกเบิกพอสมควรนะความเพียรเนี่ยต้องมีแล้วก็พยายามที่จะให้มีความรู้สึกตัวเอาให้มีอย่างต่อเนื่องถนอมบางทีก็ถนอมบางทีก็ตั้งไว้บางทีก็รักษา นี่คือการเจริญสติไม่ใช่ทำแบบลุกเรี่ลูกหลนมาสองสามวันเจ็ดวันจะมาเดินก็มบํมมมมส้งางแค่ว่าถือกระเป๋ากับบ้านกับปวางต่อยหมดมันก็ไม่ใช่ต้องถนอมต้องรักษามันก็ไม่เลี่ยงโรค ถงแม้ว่าพาอแม่ไปทำงานแต่ว่าใจอยู่กับโลกหูก็ฟังเสียงตาก็ะชงมองดูอยู่แต่ว่าการทำงานทำอยู่ด้วยไปแต่ว่าใจอยู่กับโลกความรู้สึกตัวก็เหมือนกันแมยแต่การก็ททำอะไรก็ตามคือความรู้สึกตัวมันก็นเลี้ยงมันกันดู ก็ดูดนมแห่งอริยมรรคมีความเห็นอันถกความคิดอันถกการทำอันถกอยู่เสมอมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจะต้องทำตอนนี้ให้ดีๆถ้ามันไม่ดีตั้งแต่เริ่มแรมกก็อ่ามันจะไม่ค่อยติดถ้ามันเริ่มต้นที่ดีก่อนมันจะไม่ติด เหมือนเอาเหล็กเชื่อมเหล็กหรือทาสีจะไปโป้โม่โป้โป้ไปเลยมันก็ไม่ได้ต้องเคาะต้องพ้นต้องเอาให้มันพืน้นฐานดีๆวก่อนสติไปในกายสติไปในกิจใจไม่ใช่มั่ว เห็นพยายมเอาให้แม่นยำชัดเจนเลยที่มันไม่เอี่ยมกายก็เป็นกายจริงจริงไม่ใช่ลูกรี่ลูกหลนมาจากไหนใจก็เป็นใจจริงๆริงเห็นจิตเห็นมันคิดก็เห็นจริงจริงมันคิดก็มีจริงจริง ไม่ใช่ขึ้นนู่นขึ้นหลงหลงคมหลงจริงเห็นคมหลงจริงจริงลู้แล้วมันก็รู้จริงๆริมหลงก็หมดไปจริงจริงมันชัดเจนให้มน่นย่านี่ฝีมือของเราไปว่าอย่างนั้นนี่ฝีมือของเราเมื่อกี้มันหลงไปไหนล่ะหลงไปเพราะตัวเองงุ้มอ๋อมันหลงเพราะเสียงภายนอก เพื่อนม่จะหายหลบรถกินเสียงตาหูาลูกนี่ปะจจัาายตรงไหนแก้ตรงนั้น <c oughs> ทำเหตุให้มันดีไปช่ จ, จะไปกบเผื่อนลายนอกงั้นเอาไม้ไปแย่หมาหมามันโกรธมันก็กัดไม้นน่นไม่ไม่้ว่ตัวแย่มันคือคนมันโกรธหมาทิ้งคน ใส่เมืนก็วิ่งกัดขนน้นโนนบางทีมันไม่รู้เหตุการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันดูดีๆเย็นมันคิดางเนี่ยเย็นแล้วคิดอีกคิดเล้วคิดติดคนคิดหลอกได้อยู่นั้นแหละแล้วเลคงมากมันคิดมันไม่ใช่ทำไมมันจึงคิดทำไมมันจึงคิด แล้วก็ดูดีดีโอ้ตัวคิดคือตัวหลงหลงอโอ้อเ ห, หตุมอยู่ตรงนี้เลยโลดโลดตับทันทีเยี่งเลยควมคิดตัวหลงนี่แหละหมังจากเราค้นพบอะไรที่มันเกิดผิดพลาด ไฟรั่วน้ำไหลน้ำซึมมันตรงไหนเปิด น, น้ า, าไหร่ก็น้มก็ไม่ไหลเป็นอะไรแต่โอ้หมูหมูมันตุดท่อขาดอยู่ตรงโน้นพอเห็นจุดหนยเจ้าแทนที่ต่อได้ปับ๊บโดยสีมือของเราพอทำได้เหมือนกับปกติแล้วว่ะนี่ ไฟก็ปกติน้ำก็ปกติเราทำอย่างนั้นทั้งทีหนึ่งทั้งทีสองแก้วเอีกพอที่มันมีรหัสมันมีรหัสไม่ต้องมีอะไรมาบอกรหัส ม, มันบอกมันลูกมันคมมันแหลมคมคนผูกครองบ้านครองเรือนมนพูกเรื่องโลกเรื่องเต่าตื่นขึ้นมาเอางมงินไปจับ วาเอามือไปจับก้นเอามือไปจับเต็นสันหลังอุ่นๆเต็นเย็นๆโอ้ลูกไม่สบายอ่าพยาบาลนะเขาผ่าไปห่อเท้านอนมันยันท้าออกบันยันท้าออกปล่อยตัวล่อนจนหนาวพ่อแม่ก็นอนหลับตื่นก็นมาพ่อฮะหอมผ้ า, ผาอุ่นขึ้นมาปกติขึ้นมา แค่ทันขวันจำนานการดูแลตัวเองก็เหมือนกันนะตรงไห น, นรู้สึกนะแต่ก็ความรู้สึกนี่นเป็นสิ่งที่ชั่วมากกับการใช้ชีวิตเราหลอกตัวละความรู้สึกไห น, นมาทางไหนก็ <c oughs> ไม่ไม่แคร์ถ้าจะพูดแล้วนะให้มันมาอะไรเกิดให้มันเกิดมา เราจะอยู่ตรงนี้หระอรู้สึกตัวเนี่ยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโกรธความโลภความหลงวิเลตตะตัหาความสุขความทุกข์ความลกความชัง่งความยีริมไร้ปัญหาต่า ง, างๆสถานการณ์ต่างๆนะไม่ป ฏ, ฏิเสธปรากฏการเราโลกเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกตัว แต่สิ่งที่เราทำได้คือไม่ปลุกแต่งปรากฏการเราแก่ไม่ได้เราไม่ปลุกแต่งวันหนึ่งเราจะพบกับพูกกับคนเราจะพบกับอะไรเหตุอะไรขึ้นไม่ปฏิเสธแต่เราที่แน่แน่ก็คือไม่ปลุกแต่งไม่ปลุกปกติอาเห็นโลกกับปกติหราได้ยินเสียงกับปกติ มองได้กลิ่นลิ่นได้รสกายสัมผัสจิตมันชิดก็ปกติโลสึกตัวเนี่พอตัวแล้วเหมือนคนไม่ฝีมือการทามาหากินเขาบอกบางคนก็เป็นช่างตัดเนบเขบอกว่าไปไหนไม่ต้องพลงพลังเนอ่ยตังไกลตัดไกล ไม่ตัดเร่มเดียวเสืกงวัดอันหนึ่งใส่กระเป๋าไปเลยแต่บางคนก็ขายพอขายมันขายนู่นเอารถใส่ไปได้เงินได้น้อยแต่บางคนมีวัญญามีประกายเรื่มเดียวบางคนไม่มีอะไรมีสมองความคิดปั๊บทันทีเป็นสถาปนิกเป็น อืวิจัยเป็นนักวิจัยเอาช้างไปต่างประเทศนไม่ต้องขนอะไรไปสมองผมงว่าความรูม้สึกตัวเนี่ยเราจะพูดทั้งเรื่องกำจัดทุกอะไรก็ตามพอแล้วความรูม้สึกตัวแต่เราสร้างให้มันมีจะมาเกิดความพร้อมเหมือนก็เขาเรียนวิชาต่างๆ เขาก็มั่นใจดูอะไรดูออกบอกถูกแล้วมันหมอดูโรค อ, อ่ะแต่บอกเขาเขาก็รู้แล้วเหมือนกับเราฟังข่าวเ ร, าเร็วหมอทบกับหมอขออกรายการพอคนโทรมาถามอน่เขาก็ตอบไปเลยโอ้มันจางนั้นตัว น, นั้นน่ะโรค <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยในอริยสัจมันก็คือนั่นล่ะตอบได้เลยในชีวิตเราเอตมาเหตุตุกปปวาเตสังเหตุตรงตถาคโตทุกสิง่งทุกสิง่งมันต้องมีเหตุจะแกลียดจะเกลที่เหตุมันก็เช่นนั้นเองไม่ใช่ไปด่ากันไม่ใช่ไปคิดขุ่นคิดไม่ใช่ไป ปฏิเสธใครใครอะไรไม่ใช่อ้าวลุยลยพวกเร า, ามีความรู้สึกตัวจนแน่วแน่มั่นคงไวยวันไว้เราสร้างได้ของรู้สึกตัวนะหัวมันก็บิ่งใหญ่แล้วถ้าเปรียบมันช่างกับหมาหมามันก็เห่าช่างแต่ช่างมันยิ่งใหญ่ก็เฉย สมัยกับโบรานทันว่าช่างเคยแห่เวราเขาขี่คอช่างแห่ในขบวนฉันดอนอขบวนสันดรอจะมีเสียงข้องเสียงกรองเสียงแตะเสียงดนตรีเสียงโห่ล้องอะไรต่างๆช่างก็เดินเฉยช่างเคยแห่แต่บางทีช่างไม่เคยแห่เลยอ้าวหันหน้าหันหลังเสียงตนง้นตนกหึงต้นนกตลกตลกตลกล้นนกตจเตือนต้นก ราตายแล้วก็อ้าวเตินไปแล้วโอ้ยยิเงเสียงมาเติมจะมอะไร้ไไกิดขึ้นเรืออ่องอลรถดกายสัมปัตจิมันคิดโลน่ารลกหลังอยู่มันไม่ใช่แต่เราปกติมันยีน่งใหญ่เหมือนกันน่ะของมื้สุดตัวน่ะมันช่างเคยแห่เคยเห็นไหมโยมพอคิดอ่ะันคอนสวรรค์มีแห่ช่างไหมอ่าเขาแห่เอาช่างทีคอ แค่การปวดมากแค่ผัวเวแคร์อะต่างๆเสียงคลองเสียงคลองคนจะเดินไปขนาดไหนรถเสียงเครื่องเ้ีงเคื่องไม่ไวันไม่ไวันไหวมันใหญ่หมาเห่าช่างก็ไปเนห่าวกว้าให้ช่างก็เดินเฉยถ้าจําเป็นหมาที่มากัดมันมันก็เตะเห็นเห็นหมาเห็นช่างเตะหมาจะไม่ะ อ๋อเพิ่มไปเป็น20วานะไม่กลัวอะไรของรู้สึกตัวก็เหมือนกันแล้วถ้าเราสร้างให้ดียๆยิ่งใหญ่ขนาดนั้นกิเลสทั้งหลายตึงวน้น <c> ร <oughs> ้อนทุกความสุกความโรคความโกรความหลงไม่ไปเสิยภาษาอะไรไม่ต้องไปหน้ายให้หัวเชื่อก็หมดไม่ต้องไปโอ้โๆแผลบบแบบ <c oughs> เนี่ยจุด น, นี้เราจึงตง้องอุรมสมนูนอบรมสมนณนไม่ขาดแคลนธรรมะเราหลบโทษความรู้สึกให้เรามีพลังพลังฉันโทพลังสุริโยพลังเวลาส ม, มตุตสตตะพลังศิริพลัมติตโยของทะเลมีกำลังสาทิตย์ก็มีกำลัง มีสติลงไปในกำลังนิ่งกว่าเสิยงเรานั่นอีกความรู้สึกตัวไม่หวั่นไหวเป็นเสาเขื่อนอากาศความรู้สึกตัวก็เป็นไม้หลักปักขี้คนเลยที่จะเอ็นไปทางนั่นก็จะเอ็นไปทางนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจนตายหรือสิตเราผมมันคงอยู่ตรงไหนทีน่ว่าเรามันทําได้นลยนะ ก็สร้างเอาในโลกนี่นะอย่าไปประมาทไม่ได้เลยมัน <c oughs> โลกมัน <c oughs> ก็เ <c oughs> พิ่มลดลงไปในโลกมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะให้คนหลงแ้วเราประมาทล้วก็มีทางที่จะถูกโลกทับถมได้ไที่สุด ถ้าเราไม่ประมาทเราก็มีสิทธิที่จะอยู่เหนือโลกได้อย่างสบาย <c oughs> ไม่ใช่เรามีชีวิตวันเดียวสองวันเราต้องรึกตัวเองต้องฝึกตัวเองเพื่อจะให้อิสรภาพของเราเราจะได้อยู่เนือยิ่งใหญ่ <c oughs> เป็นชีวิตที่มีความยิ่งใหญ่ ถ้าเรามีควารู้สึกตัวมีคุณธรรมเราอินทร์เทวดาก็นุ่มนับส ก, การ์ถ้าเราขาดเรียนแล้วไม่อินทร์เทวดาจะมีก็ไม่ช่วยเราหราอกม <c oughs> ีจับขี้แต่มนจะบลุง ม, มาขย่อมเขาหรอกนะถ้าเราขาดธรรมะบอกผีหาซาตานมันลุ่มเข้ามามันก็บรรลทว่า คนไหล่มกินเส้นเหัวหยงคนไหล่มเลยนำ้ำก็น้ำลงไปแล้วเราจะต้องฝึกตนฝึกตนไม่ต้องทําอะไรหรอกเราตร้างสตินี่แหละลู่สึกตัวอย่าไปเอ๊ะหนูทำไมไน่ลู่ฉันทำไมไม่ลก่ผมทำไมไม่มีลู <c oughs> จะต้องมีคําพูดอย่างนั้นผมลู่สุกตัวมันไม่มีคําถาม เราพิสูจน์ขึ้นรู้สึกอ่าใช่ได้แต่เราใดทีมันคิดขึ้นมาณรู้ทันเป็นคนคิดเป็นความรู้น่าไม่ต้องไปถามใครอ่ะความคิดก็รู้เองความรู้สึกตัวก็รู้เองที่มีความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องกับความคิดมันก็ไม่มีอะไรคือความรู้สึกตัวความคิดก็คือความรู้สึกตัวอ่านข้อหน่อยก็คือความรู้สึกตัว ไอหวัวต่างๆคือความรู้สึกตัวเอาลองดูบางทีไปหาคําตอบไอ้ความรู้มันคืออะไรกิดมันคืออะไรความคิดมันคืออะไรมันคิดจากอะไรก่อนตอนที่มังคิดจะไปหาจะไปหานั่นมันจะสับสนววเรลลื่องอะไะ ต่องลู่สุดตัวต่องลู่สุดตัวเนี่ยเอาไหว้ก่อนเอาก่อนไม่้ก่อนล่้งไว้ก่อนเลยกินข้าวเลยพูดเรื่องกินห อ, อกต้องมือเสียก่อนล้างมือเสียก่อนตกต้องเลยนั่นเราจึงฝึกหัดฝึกหัดให้มันยื่งใหญ่ของลู่สุดตัวเป็น ว่าหาลูกนนท์วหาสติปัฏฐานนนท์ให้มันเหลือกินเหลือใช้ไม่อดไม่อยากไม่ขาดแคลนถ้ามีมากระใจายลงไห้ให้ขาดแคล น, น, นถ้ามันไม่มีอยต้องไปจ่ายอ็่าไปไปคิดให้อยู่เสือก่อนให้สะสมเสือก่อนสะสมมาไหวเสือก่อนส พอได้ห้ากินสิบมันก็ไม่มีนิสัยคนจนพอมู้อะไรก็พูดคำสองคำพอได้คิดหามาพูดนะจำคนอื่นมาพูดมันไม่ใช่ครับพอได้ห้ากินสิบนิสัยคนจนบางคนกินเรื่องหนังหมดสองห้อยบาท บางคนกินหแบบนึ่งหมดที่สิบาทกินแบบไหนกินแบบคนจนคนรวยบางคนแต่ว่ากินแบบสองร้อยบาทกินแบบคนรวยอ่า น, นอะไรกินแบบคนจนคิดมากโทษมากมันไม่ดีเราไม่ีเงินร้อยบาทใช้สักสักบาทเดียวเราปฏิบัติไปมันไม่ความรูมม้ไม่ญาณในอะไรให้มันรูน้ก่อนเถอะ อ, อย่าเพิ่งไ ป, ไป ใช่จะเป็นไปพูดจะเป็นไปคิดอะไรมนะากเหตุผนละสร้างตัวนูไปเพิ่มทุนเขาไว้การพริ่มทุนนีสําคัญแต่การใช่จ่ายมันคล่องตัวตเหตุปัจจัยการเพริ่มทุนทุนก็คือการกระทําสติให้เลยให้ทุนเข้าไปให้ทุนเข้าไปรู <c oughs> ้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไป เพมทนนะนกทุนเพิ่มทุนไปกับชีวิตอย่าสุดรุ่ยสุดไร่คำาทุนก็คือความรู้สึกตัวเพิ่มเข้าไป <c oughs> ความคิดเหตุผลมันเป็นการใช้จ่ายมันจะหมดทุนไปคิดเอาเหตุเอาผลมันเป็นการใช้จ่ายไปเอาสุก ไปเอาทุกมันใชยไปแล้วอย่าไปเอาสุกอยไปเอาทุกมันหมดทุนนเรื่องไหมไปสุขไปทุกก็หมดทุนแล้วใชยไปแล้วอ่วมร่มทนมีน ไ, ไหมมันสุขมันทุกอืม <c oughs> อย่าไปใชยชีวิตแบบนั้น แต่ไม่ใช่แบบนั้นต้องรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวเลยว่ะให้ทุนเป็นเศรษฐีเข้ามาะสะส ม, มความรู้สึกความรู้สึกอย่าดวนไปสุขอย่าดดนไปทุกข์อย่าดวนไปยินรีอย่าดวนไปยินได้อย่าดวนเป็นลักอย่าดดนไปชั่งน <c oughs> ังรู้เรื่องไหมอย่าดวนไป ยินดีเขาเอาเขามายินร้ายผักไม่เอาไม่เอาแต่เชื่อชื่อแบบนั้นอมางว่าอิจฉาลมชอบไม่ชอบกไเอาไปแต่ชื่อชื่อแบบนั้นมันสิ้นเปือนมันแช่สลื่สล่อบังขาดแครนอ่าแต่โดนไปยินดีแตโดนไปยินร้าย อย่าดนไปรักอย่าดนไปชังอย่าดนไปสุขอย่าดนไปทุกข์รู้สึกตัวรู้สึกตัวเฉยเป็นมหาสติพระเจ้าทำอย่างนี้น ะ, อ, ะอย่าไปใช้ชีวนะิตชื้นไรไปนั่นกราบพระพร้อมกัน สัมมาสัมพทธ佛菩萨菩萨摩诃萨。